สามอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนรู้จักหรือคนที่เกี่ยวข้องคนรู้จักตายไปสามคน้วที่กำลังจะตายก็สองคนคนที่กำลังจะตายก็ก็รู้แล้วแต่เป็นโรคมะเร็ง แล้วก็ถูกทุกขเวทนาความเจ็ความปวนี่บีคั้นได้ไปเยี่ยมคนใกล้ตายแล้วก็ได้ไปสนทนาทั้งสองคนคนหนึ่งนี่อยู่กรุงเทศอีกคนหนึ่งอยู่ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์นี่ก็ ใช่วิธีคุยกันทางไลน์สมัยนี้มันก็สะดวกมากนะคุยข้ามประเทศได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากเรียกว่าฟรีฟรีก็แล้วกันแล้วคนคนป่วยค น, น้นก็ป่วยเขา คนหนึ่งมีทุกขเวทนาเพราะว่าโรคมะเร็งนะมันมันลาบไปเยอะอีกคนหนึ่งก็มีทุกขเวทนาเพราะการรักษาการใช้แสงการฉีดคีมโมจนกระทั่งกินอะไรไม่ค่อยได้มันไม่อยากจะกินอะไรปากก็แห้ง ผมก็ร่วงแล้วก็มีความเจ็บปวดก็คงผสมกันนะั้นระหว่างการรักษากับโรคที่มันลุกลามมากขึ้นแล้วเมื่อถูกความปวดความทุกข์มันบีบคั้นก็ทำให้จิตใจย่ำแย่ แม้เตรียมตัวมาพอสมควรในคนหนึ่งก็สนใจเรื่องธรรมะ ก, ก็เชื่อมั่นว่าธรรมะนี่ก็จะช่วยประครับประคองใจได้แต่พอเวลาความเจ็บความปวดหรือโลกมันกำเริมนี่ก็เอาไม่อยู่ก็คือว่าสติกระเจิง มีความทุกข์ใจหดหูแล้วก็ก็อยากจะพล้นๆจากสภาวะนั้นไปเร็วๆก็คือตายแต่บางขณะก็กลัวกลัวตายเพราะยังห่วงลูก่วงห่วงลูกก็บางทีก็คงจะห่วงตัวเองหรือว่าคงจะ มีความยึดติดถือมันในตัวเองอยู่ด้วยก็ไม่อยากตายการที่ได้มาพบปะสนทนากับคนที่ป่วยหนักแบบนี้มันก็ช่วยเตือนใจได้ดีนะว่า เรายัางโชคดีนะที่ยังไม่เจ็บป่วยอย่างนั้นาการที่เราไม่ไม่ถูกโรคภายเบียดเบียนบีบคั้นยังพอมีสติสตังอยู่บ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคแต่ว่า ไม่ช้าก็เร็วมก็ต้องเกิดขึ้นกับเรามันเป็นสิ่งที่นี้ไม่พนนะ้นเราทั้งหลายมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจนเรพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วคนเราชื่อคนเราถ้าถูกง่ายคือมันก็ เป็นเรื่องของชื่อคนร้องก็เป็นเรื่องของสุขและทุกข์แหละมีแค่สองอย่างสุขกับทุกข์ส่วนไม่สุขไม่ทุกข์นี่มันก็มีบ้างแต่น้อยส่วนใหญ่แล้วก็สุขและทุกข์คือแม้บางคนอาจจะบอกว่าไม่ทุกข์แต่ก็ไม่สุขนะจริงๆก็อาจจะสุขก็อยู่ก็ได้แตไ่ไม่สังเกตเช่นยังไม่เจ็บไม่ป่วย อย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่เจะไม่ป่วยเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้ร่างกายยังมีความสุขดีอยู่เลือกปกติสุขปกติสุขนี่ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งชีวิตคนเราสุดท้ายก็มีแค่สุขกับทุกข์แค่นั้นแหละ ถึงแม้ว่าบางครั้งสุขและบางครั้งก็ทุกข์นะแต่ว่ามองรวมๆก็คือว่ามันก็สุขอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดมันก็สุขโดยส่วนใหญ่เสร็จ แ, แล้วพอใกล้จะตายมันก็ทุกข์ทุกข์มากด้วยในตอนที่ทุกข์เนี่ยพอทุกข์เวทนาดีขั้นก็ไม่มีสติ ไม่สามารถประคองใจให้เป็นปกติได้ขั้นตอนที่มีความสุขคือมีสุขภาพดีมีความปกติสุขมันน่าจะเป็นโอกาสที่จะรักษาสติให้ให้มีแล้วก็จเจริญเพราะว่ามันไม่ได้ถูกทุกเวเนศนาดีครั้งแต่คนส่วนใหญ่พอเวลาสุข มันก็ไม่มีสติเหมือนกันคือเพลินไปกับความสุขเพลินไปกับความสุขเกิดความประมาทหรือชลาใจบางทีก็เพลินไปกับงานการเพลินไปกับอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพราะว่าตอนที่มีสุขภาพดีมันทำอะไรได้เยอะแยะงานการก็ มีมากมีไมยมีวันนี้ก็เพลินกับผู้คนเพลินกับการเกี่ยวข้องกับผู้คนในสิ่งเหล่า น, นี้มันก็ทำให้ขาดสติได้เหมือนกันยังไม่ต้องพูดถึงว่าพอไปเจอเรื่องที่มากระทบใจ ก็ทาให้ทวาให้ทำให้ทุกข์พอทุกข์แล้วก็ไม่มีสติมันก็น่าเสียดายนะเวลาไอ้ตอนที่เจ็บปวดมีความทุกข์มันก็ไม่มีสติไอ้คั้นไม่เจ็บไม่ปว่วยมีสุขภาพดีแทนที่จะใช้โอกาสนี้สร้างสติขึ้น ก็ดันเปิดใจให้ไหลสติเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันมันเป็นขาดความสติคนละแบบนะในยามสุขและยามทุกขในยามทุกมันขาดสติเพราะทุกมีทุกเวทนาทางกายแต่ในยามสุขเนี่ยมันขาดสติเพราะว่ามันไปนเคลินกับความสุขนะความสุขทาง วัตถุหรือความสุขาทางทางกายและเพราะว่าตอนที่สุขเนี่ยไม่มีสติหรือปล่อยใจไปให้เพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆในชีวิตขาขึ้นผู้คนงานการความสุขสนานพอ เจ็บป่วยมันก็ไม่มีต้นทุนอะไรที่จะมาใช้รัเมือความเจ็บความป่วยเลยก็มีแต่เงินเงินนี่ก็ก็ซื้อซื้อยาซื้อบริการของแพทย์ที่ช่วยประคับประคองให้หายเจ็บหายปวดได้ในในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโรคร้ายนะ ให้เงินที่มีมากมายแค่ไหนมันก็ไม่สามารถจะบรรเทาความเจ็บความปวดได้อย่างที่ต้องการจึงตอนนั้นก็มีแต่มีแต่ใจแล้วว่าใจนั้นได้ละกาฝึกมาดีไหมมีธรรมะคุ้มครองไหมถ้ามีธรรมะคุ้มครอง มันก็ทำให้สามารถจะรับมือกับทุกขเวทนาได้รับมือเท่าในแง่ที่ว่าเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความเกิดความปวดเพราะเวลาเจ็บเวลาปวดแลนะ้วจิตมันก็จะไปเพ่งไปจับอยู่ที่ความเกิดความปวดทนะั้งที่มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจ แต่จิตมันก็ไปจับอยู่ตรงนั้นแหละเหมือนเวลาเราปวดเราเมื่อยจิตเราก็ไปจับอยู่ตรงนั้นแหละเวลาหนาวจิตก็ไปจับอยู่ตรงส่วนที่หนาวไอ้ส่วนที่อุ่นไม่ไ ม, ไม่สนใจเวลาปวดเมื่อยไอ้ส่วนที่ไม่ปวดไม่เมื่อยก็ไม่สนใจมันก็ไปจดจอด่อในส่วนที่ปวดเมือ่อยเลยแต่กือมีสมาธิกําหนดนมาที่ลมหายใจมันก็ช่วยลืมปวดได้ หรือว่ามีสติมาดูความเจ็บความปวด <c oughs> เห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดอันนี้ก็ยากยากกว่าการที่จะมีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนลืมปวดแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่จะช่วยได้มากรวมทั้งการที่มีปัญญา ย, ยอมรับความจริงว่าเออความเจ็บความปวดเป็นธรรมดา ไม่ดิ้นหลนไม่ผักใสไม่ตีโพยตีพายไม่บ่นโวยวายไม่กล่นดาชะตากรรมหรือโลกภัยใค้เจ็บยอมรับมันเห็นว่าเป็นธรรมดายิ่งได้เห็นว่าเป็นธรรมดาของกายรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของใจหรือว่าไม่ไปยึดเอาความ เกิดความปวดของกายมาเป็นความเจิดความปวดของใจคือไม่ใชดว่าความปวดนั้นเป็นเราเป็นของเรามันเป็นแค่ของกายมันไม่มีอะไรที่มันยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้เลยเพราะว่าเห็นว่าไอ้ตัวเราของเรามันไม่มีตั้งแต่แรกแล้วมันจะมีอะไรที่จะยึดได้ว่าเป็นราเป็นของเรา เพราะตัวเราไม่ไม่ไมีมตั้งแต่ต้นอันนี้มันเป็นทำาไมมันช่วยทำให้ทำให้ยกจิตอยู่เหนอเือเวทนาได้ในยามที่ยาก็ไม่อยู่อันนี้เป็นเป็นตัวช่วยนะเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์มากนะ จำเป็นมากนะในยามที่เจ็บป่วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจที่จะหาตัวช่วยหรือสะสมตัวช่วยนี่ไว้เลยไปสะสมอะไรก็ไม่รู้เงินทองชื่อเสียงไปสะสมอำนาจเพราะว่า ประมาทนะเพราะความประมาทเพราะไม่คิดหรือไม่เฉลียวใจว่าสักวันหนึ่งเมื่อต้องเจ็บต้องป่วยไอ้สิ่งที่สะสมมามันช่วยได้น้อยมากถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสติไม่มีสมาธิมาช่วย ไม่มีปัญญามาประคับประคองใจก็ทุกทรมานมากจากทุกขเวทนาซึ่งเป็นเรื่องของกายก็กลายเป็นทุกทรมานคือเรื่องของใจเลยทุกขเวทนาทุกทรมานไม่เหมือนกันทุกขเวทนานี่พระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าก็ต้องประสบเวลา เวลาเจ็บเวลาป่วยเวลาหิวมันก็มีทุกขเวทนาทั้งนั้นแต่ว่าถ้าไม่มีความทุกขทรมานใจก็ปกติแล้วคนส่วนใหญ่นี่พอมีทุกขเวทนาแล้วมันก็กลายเป็นทุกขทรมานตามมาและไอ้ทุกขทรมาร์นี่มันมันแย่กว่าทุกขเวทนา ไห้งสตินี่จำเป็นมากสำคัญมากในยามป่วยก็สติก็หลุดพอสติหลุดก็ยิ่งทุกข์การในยามที่ไม่ป่วยก็ไม่โชโอกาสนี้นะตั้งสติหรือว่าเพิ่มพูนสติให้มากขึ้นก็เพิินไปกับความสุขเพินไปกับ โอกาสเพิ่อนเลยกับความสุขสนานก็ทำให้สตินี่แย่ลงแย่ลงตอนที่มีความสุขบางคนก็กินเหล้าเมายา เ, ยเล่นการพ น, นัน อันนี้มันก็เรียกว่าทำลายสติโดยแท้งั้นก็เวลาแปลกใจเวลาป่วยนะมันก็สกติมก็ไม่เหลือแล้วแต่คนธรรมดาก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าจะจะดีกว่ากันเท่าไหร่เนะพราะเวลาป่วยก็ป่วยห น, นักเจก็บปวดมากๆ ก, ก็ สติมก็หลุดเหมือนกันก็วอยวายควนครางคร่ำครวนบางครก็อยากตายอยากตายไว้ๆว่ไอที่กัดตายก็ก็พร้อมจะก็อยากจะตายไอหมอนี้งอหนึ่งเนี่ยเวลาเจอไปพบปะกับคนป่วยเนี่ยมันก็ทำให้เห็นเลยนะว่า ในข้อหนึ่งคือเราโชคดีที่ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่ก็โชคดีเป็นโชคครั้งโชคครานนะพอสักวันนึงก็ต้องโชคไม่ดีแล้ว่ะโชคดีก็ต้องหมดไปงั้นเราคิดต่อไปว่าเออแล้วในขณที่แรงโชคดีนี่เราจะใช้โชคให้มันประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเกิดผลจะเลยงอกงามได้อย่างไร ก็ใช้โชว์นี่แหละนะในการเจริญสติในการในการา ส, นะสะสมนะเสบียงไม่ใช่สเสบียงที่จะใช้ในยามในบหนาทนาแต่ต้องเป็นสเสบียงที่จะมาใช้ในยามที่เกิดวิกฤตกับชีวิตในขณะที่มีปกความปกติสุขก็มีสตินะมีศพ ม, มีมีสติสร้างสติให้มากขึ้น พอในอยามที่เจ็บป่วยไอ้สตินี่แหละมันไม่เึงแต่ช่วยทำให้ไม่ทุกข์ทรมานคือมีแต่ทุกขเวทนาแต่ไม่เป็นทุกขทรมานแต่ยังทำให้เราสามารถจะใช้ความเจ็บความปวยเป็นประโยชน์ได้เพราะความเจ็บความปวดมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ยท่รรมานี ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่มันไม่มันมันไม่ใช่ธรรมะนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอและจะเจอในวันข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันเกินเลยออกไปจากธรรมะเป็นธรรมะทั้งนั้นการเจ็บความปวดก็เป็นธรรมะเนเมื่อเมื่อต้องเจ็บต้องป่วยเอาก็ทํางานจะเห็น เป็นธรรมะจะความเจ็บความป่วยสติเนี่ยช่วยทําให้ตั้งสทําให้สามารถจะเห็นธรรมะจากทางเจ็บป่วยได้แทนที่จะบ่นโวยวายตีโพยตีพลอยในความเจ็บป่วยแทนที่จะดิ้นรนอยากจะพ้นความเจ็บป่วยเออเอามา เอาสตินี้เรามาดูทำมาจากความเจ็บป่วยว่ามันสอนทำอะไรกับเราแลความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดนะจาพุทธะบอกความเจ็บป่วยมาเตือนเราฉลาดหรวงู่ขาตังก์สอนว่าเนี่ยเวลาเจ็บปวดนี่อย่าไปอยากหายอย่าไปอยากหายป่วยนะอย่าไปอยากหายเจ็บพราคืนอยาก หายอยากถ้าเกิดขึ้นอยากหายเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มตัวสมุทรไทยซึ่งทำให้ทุกข์มากขึ้นถ้าจะอยากก็อยากเห็นความจริงจากความเจ็บความป่วยอยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนาดีกว่าอันนี้ดีกว่าอยากเห็นความจริงก็คือต้องมีสเปดูมันนั่นแหละให้มันสอนว่า เวลาจะป่วยเนี่ยมันชื่อเลยน่นมันทุกข์มากร่างกายเป็นทุกข์เหลือเกินที่เห็นเลยว่าต้องการไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสั่งก็ไม่ได้ให้มันแสดงทําให้มันแสดงแล้วแสดงเล่าเห็นแล้วเห็นเล่าจนกระทั่งจิตมันยอมจิตมันยอมแล้ความจริงมันทิ้งอวิชามันมันปลดอวิชากไปหรือว่าวิชาตั้งอยู่ไม่ได้เพราะความจริงมัน แสดงตัวต่อหน้าต่อตาทนท้อ่ออนี้แต่ถ้า ม, มีสตนะิมันไม่เห็นความจริงเนี่ยนะมันจิตมันไม่รับจิตมันไม่ว่างเหมือนน้ำเต็มแก้วนะแก้วที่มีน้ำเต็มนี่เติมอะไรไปก็ไม่มันก็ล้นหมดถ้าทุกเวทนามันท่วมทนจิตนี่ สาจะทำความจริงอะไรก็ไม่สามารถที่จะซึมซับเข้าไปในใจได้มันไม่ว่างมันเต็มซะแล้วอะไรแล้วก็ล้นออกมาหมดเนสตินี่สำคัญมากทีเดียวเนะยในยาที่สุข ม, มีในยาที่เป็นสุขหรือปกติสุขนี่ ก็ต้องตั้งสติให้ได้หรือว่าพัฒนาสติให้เจริญงอกงามอย่าปล่อยให้สติมันอ่อนไปเอ้ยมันอ่อนหรือมันลดหายไปเพราะความเพลิดเพลินในความสุขเพลิดเพลินในไม่ต้องมีความสนุกสนานก็ได้นะเพียงแค่กินอิน่มนอนอุ่นถ่ายคล่องสุขสบายดีก็ ก็เพลินก็พอใจแล้วนะอันนี้มันก็อันตรายเพราะ ล, ะลึกๆมันก็จะไปยึดนะอยากให้สภาพชนนี้มันอยู่ไปได้เรื่อยๆมันมีความยึดให้มีความยึดอยากให้ความปกติส่วนนี้มันอยู่ไปเรื่อยๆเลยมีความคิดเอาไปเอาเองว่ามันอาการแบบนี้จะเกิดจะอยู่บลอดไปตลอดชั่วฟ้าดินสลาย มันยังมีความสำคัญผิดแบบนี้ซ่อนอยู่นะว่าในสิ่งที่เป็นอยู่กับเราตอนนี้เนี่ยคือความสุขสบายหรือความปกติสุขเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆอันนี้คือความหลงอย่างหนึ่งเรียกเป็นความฉลาดใจหรือความประมาทนะมันมีความมันเป็นควา ม, ม, ค, วามคิดเอาเองทึกทักเอเองว่า อาการแบบนี้ความปกติสุขมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วยิ่งมีความปกติสุขเป็นเวลาเวลาระยะเวลายาวนานนะสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีไม่เคยเจ็บป่วยเข้าโรงพยบาบาลเลยมันก็ยิ่งเกิดความหลงผิดอย่างนี้มากขึ้นว่าเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ 50ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเป็นอย่างนี้ก็คือสุขสบายดีไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็จะเผลอทึกทักไปว่าเนี่ยปีหน้า10ปีหน้า20ปีหน้าก็จะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้แหละคือความหลงคือความปรหมาคือความชลาดใจซึ่งทำให้ผู้คนนี้เสียท่ามาเยอะแล้ว เมื่อวานนี้สบายก็ไม่แปลวันนี้จะสบายวันนี้สบายก็ไม่แปลพรุ่งนี้จะสบายเพราะความที่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้ไม่ทำให้ใหประมาะททาให้ไม่ป้องกันตัวทําให้ไม่ตัดเตรียมรับมือกับความผันผวนแปรเปลี่ยนที่จะตามมาแต่ถ้าเราที่ว่าเออวันนี้สบายนะแต่พรุ่งนี้อาจจะไม่สบายก็ได้ อะไรแล้วก็ไม่แน่นอนเพราะนนั้นอยากประมาทต้องเต็มตัววันนี้ยังมีเรื่องมีแรงก็ปฏิบัติทำเจริญสติไม่ไม่ไม่นิ่งดูได้ไม่ไม่ชลาดใจแต่ค้นขวายมันก็ทำให้เราพอที่จะมีมีสเสบียงมีตัวช่วย สะสมไว้บ้างเวลาต้องเจ็บต้องป่วยหรือเวลาเกิดความพันผวนแปดป่วนขึ้นมากับชีวิตก็ใช้ธรรมะใช้สติใช้ปัญญานี่แหละพาจิตออกจาความทุกข์ได้เหตุการณ์ยังเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนแปลงเช่นยังเจ็บป่วยยังไม่หาย หรือว่ายัางมีความไม่สบายกายแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วเหตุการณ์เหมือนเดิมสถานการณ์ยังเหมือนเดิมสิ่งที่สูญเสียไปเอากลับคืนมาไม่ได้แต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วคนเราไม่ใช่ว่าแปลว่าจะสุขก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับเรา S <S <an> เหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ไม่ดียังคงอยู่แต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้เพราะว่าจิตมันถูกยกขึ้นมาด้วยอำนาจของสติและปัญญาแอบเพงว่าขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยขอให้ไม่ไม่มีทุกข์ภายนี้ขอได้แต่ว่าอย่าไปหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้น <C oughs> มันสวนทางความจริง สิ่งที่ควรจะหวังคือว่าเมื่อแม่เจ็บแม่ป่วยแม่พัดพรา่าแม่สูญเสียแต่ว่าใจไม่ทุกข์นะอันนี้มันสมจริงกว่าอันนี้เป็นไปได้มากกว่าแลวควรจะควรจะทำให้ได้ด้วยเน่การที่เรามาการที่เรายัางอยู่อย่างนี้ยังไม่เจ็บไม่ป่วยยังมีสุขภาพดีนะั่นคือเป็นโอกาสที่จะฝึกที่จะ ทำความเพียรเอาไว้เพื่อได้ไปใช้นะแต่เป็นเป็นเหมือนเรือกู้ชีพนะในยามที่เรือมันแตกเรือมันเรือมันล่มไปแล้วแต่ว่ายังมีเรือเรือชูชีพนี่พาออกไปได้ไม่ต้องไม่ต้องล่มไปกับ จมไปกับเรือยังลอยคอยอยู่ด้กลางทะเลไม่ว่าทะเลมันจะปั่นป่วนยังไงก็ก็ยังมีเรือชูชีพเอาไว้คอยพยุงชาวเน็ตพูดกับทนนี้อกอนะัรับ